มีร่างกายก็ต้องดื ania, ่มน้ำต้องกินข้าวต้องหายใจต้องอับน้ำต้องทำความสะอาดให้ร่างกายวันหนึ่งหมดเวลาไปกับเรื่องของร่างกายก็พอสมควรเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายหาลูกเสียงกลิ่นลสให้เรามาเสพกัน เสพแล้วก็ต้องเสบอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้เสบก็จะหงดหยิดเหมือนคนติดยาเสพติดถ้าไม่ใช้ร่างกายได้ก็สบายไม่ใช้ร่างกายก็ต้องไม่ติดยาเสบติดไม่ติดลูกเสียงกลิ่นริดถ้าติดลูกเสียงกลิ่นรถก็ต้องมีร่างกาย ร่างกายอันนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เราก็เกิดกันมาอยู่เรื่อยๆร่างกาย น, นี้ตายไปก็ไปเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็มาทาแบบเดิมแบบที่เราทากันอยู่เพราะมันเป็นนิสัยของเราเราเคยทำอะไรเคยชอบอะไร เราก็จะทำอย่างนั้นเราชอบรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระเราก็เลยมาหารูปเสียงกลิ่นรสปวดภาพระกันก็หามาอย่างนี้มาไม่รู้ว่านับไม่ถ้วนคือปริมาณจำนวนของร่างกายที่เราเปลี่ยนกันนี้มันมากมาย จนนับไม่ทวนถ้าจะนับโดยประมาณก็ให้ดูน้ำตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติเวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราร้องไห้กันถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งออกมาให้มารวบรวมกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเอง นั่นคือปริมาณของน้ำตาที่เราหลั่งกันในแต่ละพบแต่ละชาติเมื่อมารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรกคิดดูว่าชาติหนึ่งเราหลั่งน้ำตาถึงน้ำขวดหนึ่งไหมน้ำตาที่เราหลั่งเื่ที่เราร้องไห้กันถ้าเราสามารถที่จะเก็บมันเวลาร้องไห้ทีก็เอาทีเา่เอาแก้วมารองที่ตา เราก็เอาไปใส่ในขวดไว้นึกว่าต อ, ต, ตอนจะตายนี่ได้สักกี่ขวดแล้คิดดูจะต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะได้น้ำ้ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นและคือจำนวนน้ำกายของพวกเราที่เราเปลี่ยนกันมาอยู่เรื่อยๆ เ, เปลี่ยนเพื่อมามาเสกรูปเสียงกลิ่นรสกัน เพราร่างกายมีตาหูจมูกมิ้นกายไม่มีใครปฏิเสธเลยใช่ไหมว่าไม่ได้ไม่ได้เสษ ร, รูปเสียงกลิ่นลดกันเสกันทุกคนเวลาไม่ได้เสษเป็นยังไงบ้างเวลาให้ถือศีลแปดเป็นยังไงบ้างเวลาถือศีลแปดนั่นก็เป็นเวลาห้ามไม่ให้เสษ ร, รูปเสียงกลิ่นลดกัน ยังไม่ค่อยมีใครถือศีนแปดกันเพราะว่ายังยังอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลอดอยอ่ศีลข้อสามยังอยากจะร่นหลับนอนกับแฟนอยู่ศีลก้อห้าก็ยังอยากจะลิ้มล่นดมกลิ่นของอาหารรับประทานอาหารศีนก้อ เห็นข้อเจ็ดก็ยังอยากไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงอยากดูมอหาระศบอยากแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเ้าทำผมแล้วก็อยากนอนมากๆนอนแล้วมันสบายเวลาที่จะมา ทำอย่างอื่นก็เลยไม่มีถ้าถือศีลแปดเราก็จะมีเวลาว่างเวลาที่เราไม่ต้องไปทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้กิจกรรมทางร่างกายเราก็จะได้มีเวลามาทํากิจกรรมทางใจกิจกรรมทางใจนี้มันดีกว่ากิจกรรมทางร่างกายเพราะว่าไม่ต้องอาศัยร่างกายอาศัย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 ที่จะเปเสษ ร, รูปเสียงกิ่นลดไม่ได้ NC5 ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีตอนนี้เรามีศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาแต่มีในปริมาณที่น้อยไม่พอที่จะพลิกใจของเรา เคล็ใจของเราให้มาเลิกการที่จะต้องอาศัยร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเราต้องสร้างเอ5นีห้าให้เป็นภละห้าขึ้นมาจากเอนีให้เป็นพละถ้าจากคนจิตธรรมดาให้เป็นจิตซ u เปอร์แมน ใช่เป็นซุปเปอร์ธรรมภาระก็คือซุปเปอร์มีพลังพลังตอนนี้นี่เราพลังมันน้อยสู้พลังของความอยากในรูปเสียงกีนรตลดไม่ได้เราต้องมีศรัทธาศรัทธาในผู้ที่เขามีพลังเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาบก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 พลังที่จะมาสร้างความสุขทางใจมันไม่มีมันเลยสู้ความอยากที่จะไปหาความสุขทางร่างกายไม่ได้าสิ่งที่เราต้องมาทำกันเพื่อให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายเปลี่ยนร่างกายกลับมาไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็คือเราต้องมาสร้าง อ, าอินซีห้านี้ให้เป็นภละห้าถ้าเป็นน้ำมันก็เปลี่ยนจาก91ให้เป็นน้ำมัน95ก็ต้องกลับส่งกลับไปลงกันอเอากันกันสกัดให้มันเหลือ95 91นีมันยังมีสารมีมีของเจือบปนทำให้มันไม่มีพลังเท่ากับ น้ำมันเก้าสิบห้าน้ำมันเก้าสิบห้านี่มันบริสุทธิ์กว่าน้ำมันเก้าสิบเอ็ดใจของเราตอนนี้มีอินทรีย์ห้ากันศรัทธาก็พอมีก็พอมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีพระละหา้าความเพียรก็พอมีบ้างอย่างน้อยเดือนละครั้งก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ทำบุญทำทานกันแล้วก็ปีหนึ่งก็อาจจะมาอยู่ปีกวิเวกสักสามวันอันนี้คือกำลังของผู้ที่มี NC ห้าแต่ยังไม่มีภะระหา้าก็ต้องมาสร้างให้มันเป็นภาระหา้าก็ต้องเพิ่มปริมาณของการที่เราจะเข้าหาพระพุทธระธรรมพระสงค์ หาด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นฟังแล้วก็จะมีศรัทธามีฉันทะมีความยินดีที่จะทำความเพียรนะพอเราเริ่มทําความเพียรวิริยะอินทรีย์ก็จะกลายเป็นพระอินทรีย์ขึ้นมา เมื่อก่อนก็อาจจะปฏิบัติบ้างนั่งบ้างเวลาครึ่งชั่วโมงอะไรทำนองนี้<อ>ก็เพิ่มปริมาณการปฏิบัติเป็นสองเท่าไนั่งช่วงครึ่งชั่วโมงก็นั่งนั่งเป็นชั่วโมงไป<อ>เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆเพิ่มการภาวนาเพิ่มการรักษาสีม รักษาศีลห้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามรักษาให้ได้รักษาศีลห้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีขาดก็เพิ่มเป็นศีลแปดตอนก็เพิ่มในวันวันพระวันหยุดทำงานวันที่เราไม่ต้องไปทำอะไรก็อยู่บ้านเก็บตัว ถือศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาให้มากขึ้นถ้าเราทำมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปอิย์ก็จะกลายเป็นพระนะ NC ห้าก็จะเป็นพระละห้าขึ้นมาศรัทธาก็จะเป็นศรัทธาแบบไม่สั่นคลอน <c oughs> แน่วแน่มั่นคงสั ศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระอาลัยสงสาวกแล้วก็ปฏิบัติตา่างโดวยวิรยิยะุตสาหภาคเพียรปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติสติปฏิบัติสติเพื่อให้ได้สมาธิ เมื่อได้สมาธิก็สามารถที่จะใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเราเอามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจฉะนนต้องพยายามเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นด้วยการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะให้มากขึ้น เราก็พอศึกษาแล้วมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองแล้วพอเกิดศรัทธาก็จะเกิดการปฏิบัติเกิดการเจริญสติขึ้นมาเกิดการรักษาสีขึ้นมารักษาสีแปด ถ, ปถ้าจะปฏิบัติก็ต้องรักษาสีแปดจะได้มีเวลาถ้าทำงานถ้า ออกจากงานได้ก็ออกไปถ้ามีเงินสำรองไว้พอให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่เดือดร้อนก็ควรหยุดทำงานเอาเวลามาหาความสงบดีกว่าถ้าทำงานเพื่อหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปซื้อของ ทางตาหูจมูกนิ้งกายเื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย<ม>ก็หยุดทํางานดีกว่าเอาเวลามาหาความสุขทางใจมาปีกวิเวกอยู่คนเดียวถึงศี่ปดแล้วก็จะดันสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้คิดเลวกลาย ถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำงานมันก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดก็สามารถที่จะดึงมันให้หยุดคิดได้ให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้มันเฝ้าดูการทำงานของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทาไปจันลังสติไปมันร่าก้รนั่งสมาธิไป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 จิตก็จะหยุดทำงานได้เต็มที่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งได้เต็มที่จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกกตารมเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เวลารวมกันนี่ขันทั้งสี่ใจหยุดทำงานขันมันจะรวมเข้ามาที่จิตเหลือแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ แล้วก็มีอุเบกขามีความสุขใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายพอได้สมาธิแล้วได้ความสุขแล้วก็สามารถที่จะสอนใจให้เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เวลาเกิดความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญญาก็จะสอนว่าเป็นเหมือนการหาใส หายาเสพติดถ้าไปเสพความสุขทางร่างกายก็ต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาไม่เสพก็จะทุกข์เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์เหมือนคนติดสุราคนติดบุหรี่คนติดอะไรนี่พอไม่ได้ทำ ต, ตามที่ต้องการมันก็ไม่สบายใจไม่ลาคาญใจงุนเหงื่อใจ พอใช้ปัญญาสารใจว่าอย่าไปทำตามความอยากฝืนความอยากความอยากเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วมันก็จะหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วใจก็เป็นอิสระไม่ต้องไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือถ้าเรามีพระหา้า มีศรัทธาแน่วแน่ต่อคําสอนต่อการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกว่าเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเมื่อใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายใจก็ไม่ เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอยู่กับตายเท่ากันเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนถ้าเราไม่ใช้รถยนต์เนี่ยรถมันจะเสียไม่เสียก็เท่ากันจะนี้น้ํามันหรือไม่มีน้ํามันก็ไม่สําคัญเมื่อเราไม่ใช้มันจอดมันอยู่เฉยเย มันจะถูกขโมยไปก็ไม่สำคัญอะไรมันจะอยู่จอดอยู่เฉยๆยางจะแตกก็ไม่สำคัญน้ำมันไม่มีก็ไม่สำคัญเนะพราะไม่ได้ใช้รถยนต์ก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆไปร่างกายถ้าเราไม่ต้องพึ่งมันไม่ต้องใช้มันมันจะเป็นอะไรเราก็เฉยๆไม่เดียดร้อนมันจะแก่ก็เฉยมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลออต้อง ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปก็สุดแท้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยไปก็ได้เลยไปก็ได้แล้วแต่ความพอใจมันรถเสียเอาไปซ่อมก็ได้ไม่เอาไปซ่อมก็ได้เมื่อไม่ใช้มันจะไปซ่อมมันทําไมซ่อมมันแล้วเดี๋ยวก็เสียอีกก็ปล่อยมันเสียไปจอดมันทิ้งไปเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็รถถ้าจอดไปนานๆ ม, มนก็เสียมันทําอะไรไม่ได้ ใชอะไรไม่ได้แต่เมื่อเจ้าของไม่ใช้มันแล้วมันไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, ไ ม, มีปัญหาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมันใช้ใช้ความสงบดีกว่าความสงบนี้ดีกว่าให้ความสุขมากกว่าให้ความอิ่มเอิบใจเป็นความสุขที่เต็เมไอด้วยความอิ่มเอิบใจไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกาย เต็มไปด้วยความหิวความอยากอ๋อได้ความสุขทางร่างกายเพราะเดี๋ยวความหิวความอยากจะมีความสุขทางร่างกายก็ตามมาเองไม่มีวันพอนี่แต่จะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปอีกถ้าได้ดูได้ฟังอะไรแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟังอีก ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเป็นที่มาของการไปเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะความอยากมันไม่มันไม่หายไปจากการที่เราทำตามความอยากความอยากมันจะหายไปจากการที่เราฝืนไม่ทำตามความอยากการจะฝืนได้เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะฝืนมันได้ คนที่ติดยาเสพติดติดบุหรีติดสุราหรือติดอะไรก็ต่างถ้าสามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้รับรองได้ว่าเลิกได้หมดสิ่งที่ติดต่างๆสติสมาธิและปัญญานี้จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขให้มีความอิ่มเมื่อมีความอิ่มมันก็ไม่หิวกับโลกเสียงก่นรด ไม่หิวกับราบยศสรรเสริญมันก็ไม่หิวกับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันมีก็มีน้อยมีศรัทธามีวิทยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็มีในปริมาณที่น้อย ไม่พอต่อการที่จะมาสร้างความสงบให้กับใจแล้วก็ไม่พอต่อสู้กับความอยากยังอยู่ภายยังแพ้ความอยากอยู่ความอยากยังใช้ให้ไปหาความสุขทางร่างกายอยู่ดังนั้นเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนและเราจะต้องไป ต่อที่ไหนเราจะก้าวไปทางไหนและจะก้าวไปได้อย่างไรถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เพราะเราไม่เคยไปในทางนี้มาก่อนเราเลยต้องมาฟังคนที่เคยไปมาแล้วคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็จะมาเล่าประวัติของท่านให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เล่า ว, ว่า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 มีความสนุกมากมีความสุขมากจนวันหนึง่งเกิดความอยากรู้ว่าข้างนอกวังมีอะไรบ้างเพราะตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยอนุญาตให้ออกไปอยู่ข้างออกไปนอกวงังนอกกำแพงวงังเลยคิดว่าในวังมีแต่ควาคิดว่าโลกนี้มีแต่ความสุขทางตาหูจมูกร่นงกายมีแต่คนหนุ่มคนสาว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 เจ้าชายสิทธัะก็เลยคิดว่าโลคนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังอยากจะรู้ว่านอกจากที่เห็นในวังแล้วมีอะไรมากนอกเหนือไปจากนั้นหรือเปล่าก็เลยต้องหนีออกไปแอบออกไปแอบแอบออกไปเพราะถ้าขออนุญาตก็ไม่ได้ไปก็เลยต้องแอบออกไปเพราะออกไปก็ไปเจอคนแก่เข้า ตอนต้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฐานมหาเล็กมหาเล็กก็บอกก็คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่นี่นหละครับแต่พออยู่เปนนานๆเข้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายมันต้องแก่ลงไปแม้ถึงจะต้องแก่ขึ้นมาความวิตกก็เกิดขึ้นมานะแล้วโอ้เราจะต้องแก่อย่างนี้เหรอเราจะไปหาความสุขได้ยงไงเป็นคนแก่มันก็เนี่ย ประคประคองสังขารของตัวเองก็อย่างแทบไม่ไหวเราจะไปทำอะไรได้ล้วพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็ไปเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านร้องควรขางก็ถามว่าคนนี้เ็เป็นอะไรวันนี้ก็เป็นโรคภยัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็ต้องเป็นเหมือนกันอา้าวตายแล้วต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้ กยิ่งวิตกแล้วพอไปเดินไปดูอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเดินเห็นเขากําลังแห่ศพเลยกําลังเผาศพอยู่ก็ถามว่าเขาทําอะไรกันเขากาลังเผาศพเออคนนี้เขาหมดลมหายใจแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วร่างกายถ้าเก็บไว้เฉยๆมันก็จะเน่าเหม็นมันก็จะเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ ก็เลต้องเอาไปเผาร่างกายของพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อทรงเห็นสัจธรรมความจริงสามประการก็ทําให้พระองค์นี้เริ่มมีความวิตกมีความหวาดกลัวต่อสังขารต่อการมีสังขารร่างกายแล้วพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นนักบวชก็ถามว่าชายคนนี้ก็ทําอะไร อ, อ๋อคนนี้เขา เขาไปอยู่ในป่าในเขาเขาไปหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <Yes. S 1> ก็อยากจะหลุดออกหนุดนี้ออกจากความแก่ความเจ็บความตาย mm hmm. พระองคก็เลยได้เห็นทางออกว่ายังมีทางออก <c oughs> ทางออกจากการต้องที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ความรู้เหล่านี้ก็เลยฝังอยู่ในใจของพระ อ, องค์ประกอบกับพระ อ, องค์เองก็มีบุญเก่ามามีสมาธิติด ต, ตัวมากิมีความสุขจากความสงบของใจในขณะที่ไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้จิตสงบจิตรวมรือตอนที่ทรงพยาวไววันนั้นเป็นวันที่เขามี นานอะไรต่างๆพวกนางสนมกำนันมหาเล็กต้องไปช่วยงานเลยปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนไม้พอร่างกายของพระองค์อยู่ตามลำพังไม่มีอะไรมามาหวานมาอยู่ลอบข้างก็ทำให้ใจนี้ทำให้กายวิเวก ค, คือกายสงบสงบัดปราศจาก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 พระอก็เลยรู้ว่ า, ถ, าถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แล้วถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะไปไม่ได้เพราะความผูกพันต่อพระราชโอรสก็เลยไม่กล้าไปดูพระราชโอรสไม่กล้าไปเสกุลบายไปเลยมีมนายชันนะาพาตามเสด็จไปเอาม้ากับ ไปส่งที่ชายป่าแล้วก็ลงให้เขาเอามากลับไปองก็ส่งเดินไปเข้าป่าไปไปหาที่ศึกษาที่ปฏิบัติธรรมระหว่างทางก็ไปเจอขอทานขอทานเห็นทรงใส่เสื้อผ้าพรที่สวยงามก็ขอเปลี่ยน อยากได้พระองค์ก็ไม่ได้ยึดติดกับความสวยงามของร่างกายของเสื้อผ้ า, าพรก็ยินดีที่จะแลกกันยิงยิ่งใส่เสื้อผ้ า, าพรของขอทานเลยไม่มีใครดูว่าเป็นเจ้าชายไม่มีใครมารบกวนปลอดภัยกว่าก็เลยเปลี่ยนกัน ขอทานก็เลยได้เป็นเจ้าชายเจ้าก็ได้เป็นขอทานแล้วก็อยู่แบบขอทานจริงๆเพรา ะ, ะนักบวชสมัยก่อนก็บิณฑบาตเหมือนกันแต่อาจจะไม่บิณฑบาตเหมือนสมัยนี้ท <c oughs> ี่มีศรัทธาคนใส่กันด้วยความเคารพด้วยอะไรสมัยก่อนชาวบ้านก็อาจจะใส่ด้วยความสังเวชมากกว่า เห็นพวกนี้แต่งตัวแบบขอทานมาเข้ามาในหมู่บ้านมาขออาหารก็คงคิดว่าเป็นพวกขอทานทั่วไปก็ให้อาหารไปได้อาหารแล้วเขาก็แยกไปอยู่ตามที่ของเขาเพรานักบวชสมัยนั้นก็มีหลายหลายรูปแบบมีหลายลัทธิพวกชีเปืยก็มีพวกอะไรหลายหลากหลายด้วยกัน ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ทำอะไรกันบางคนก็คิดว่าเป็นคนบ้าเป็นขอทานก็ไม่ค่อยมีศรัทธาอะไรมากมายเพียงแต่ก็เห็นว่าเป็นเหมือนขอทานก็สงเคราะห์ไปตามนิสัยของคนใจบุญพระพุทธเจ้าก็อยู่แบบนั้นกุฏิก็ไม่มีใครปลูกให้ก็ไปอยู่ในป่าไปอา กิ่งไม้ฐานต้นไม้มาทําเพิงทํำไรพอหลบแดดหลบไฟพอหาที่ทําใจให้สงบพอเวลาใจสงบแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเวลาใจเข้าสมาธิเวลาคิดถึงวังเวลาคิดอยากจะกลับไปในวังก็เข้าไปนั่งในสมาธิแทนพอนั่งสมาธิจิตสงบก็มีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้ในขณะที่อยู่ในวังครับ ก็เลยไม่ต้องกลับไปในวังแต่ก็ยังเป็น <c oughs> ความสุขชั่วคราวสุขเฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิเวลาใจสงบความอยากจะกลับวังก็ไม่มีแพอออกจากสมาธิมาความอยากเดิมมันยังไม่ตายจากการนั่งสมาธิมันก็โผล่ขึ้นมามันก็จะมาชวนให้กลับไปวังใหมชวนให้กลับไปหาลูกเสียงกิ่นลด แล้วพอคิดถึงความแก่ความตายที่จะตามมาก็ทําให้เกิดความกลัวเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเองพระองค์ก็เลยยังรู้ว่าพระองค์ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างตลอดเวลาดับได้เฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิไปศึกษาเป็นเรียนกับครูบาอาจารย์สองรูปท่านก็สอนการเข้าไปในรูปฌานกับอรูปฌานเข้าไปสงบใน ในสมาธิขั้นต่างๆชั้นต่างๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้วิธีเวลาออกจากสมาธิว่ามาทำไมถึงยังมีความทุกข์ใจอยู่ทำไมถึงยังอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็เลยไม่มีใครรู้วิธีหยุดความอยากนี้กันหยุดได้แต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิออกจากสมาธิมาความอยาก ที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีใครรู้วิธีพระองค์ก็เลยลองหาวิธีสู้กาจัดความอยากก็คิดว่ามันอยากที่ร่างกายอยู่ในร่างกายถ้าแม่มันกินมันแม่มันมีแรงมันกับความอยากมันก็คงจะหมดไปแต่อดข้าวต้อง49วันบ่างกายจะตายอยู่แล้วความอยากมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม อ, องก็เลยบอกนี้ก็ไม่ใช่ทางความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่สงบทีนี้จะทำไงให้ใจสงบในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิ อ, องก็เลยคิดไปคิดมาค้นไปค้นมาในที่สุดก็พบว่าความอยากเกิดจากความหลงหลงว่าความสุข อยู่กับลูกเสียงกลิดนด่นรสอยู่กับร่างกายหนงไปเพราะคิดมองไม่เห็นความจริงว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรได้มาแล้วก็หมดไปได้ดูแล้วก็หมดไปได้ยินแล้วก็หมดไปต้องดูอยู่เรื่อยๆต้องอได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆทีนี้ร่างกายมันจะ แต่ไปเรื่อยๆมันต่อไปมันก็จะหูหนวกมันก็จะไม่ได้ยินตาก็จะไม่ดีมันก็จะมองไม่เห็นแล้วใจมันก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะมันยังอยากหาความสุขเดิมพรองก็เลยพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกท้นกายทางร่างกายนี้มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนำไปสู่ความทุกข์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 พอหาไม่ได้ก็ทุกข์ก็เลยหยุดหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายใจก็สงบใจก็เย็นใจก็อิ่มขึ้นมาความอยากทำให้ใจหิวพอทำลายความอยากไปความหิวหายไปความอยากก็โผล่ขึ้นมาแทนเหมือนกับความมืดกับความสว่าง มันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้อยู่ที่พร้อมกันไม่ได้ถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้ามันอิ่มมันก็ไม่หิวใช่ถ้ามันหิวมันก็ไม่อิ่มนะถ้ามันอยากมันก็หิวถ้ามันไม่อยากมันก็ไม่หิวนี่ก็อย่าไปอยากมันเท่านั้นเองรอจิตง่ายๆตักกะง่ายๆอยากมันหิวก็อย่าไปอยากมันสิ อยากไปอยากกินอยากดื่มอยากฟั้งให้มันตายไปให้มันให้มันสู้กับมันตอนที่มันสู้กันน่มันทรมานตอนที่มันอยากแล้วเราไม่ไม่ทำตามความอยากนี่โอ้โ oh, หมันจะตายให้ได้โหยโหวนใจนี่โหยโหยนถ้าโหยกาแฟเนี่ยโหยโหยละครโหยอะไรต่างๆ <oo> ถ้าไม่ได้ทาตามความอยากมันจะตายให้ได้ <c oughs> ถ้ายอม <c oughs> ยอมทน เอาเอาสติสมาธิเอาปัญญามาสู้กับมันก็ใจก็จะเฉยเฉยเป็นอุเบกขาได้ไม่ทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็หมดแรงไปพอความอยากหมดความหิวก็หมดความอิ่มก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่ได้อิ่มด้วยการไปกินไปไปดื่มมันร่างกายใจมันอิ่มด้วยการไม่ไ ม, ไม่มีความอยาก มันหยุดความอยากได้ใจมันก็อิ่มขึ้นมาแต่วันนี้ใจเราไม่เคยอิ่มเลยเพราะอะไรเพราะมันมีความอยากตลอดเวลามีวันไหนบ้างที่ไม่อยากลองถามตัวเองเลยที่วันวันึงทำอย่านีทำด้วยความอยากหรือเปล่าทำไมันไม่ฝืนมันหยุดมันสิถึงบอกให้ทดสอบง่ายๆให้นั่งหกชั่วโมงนั่งอยู่ที่เก้าอี้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรถ้ามัน จะจะพยายามเลยมันอยากะ่ะถึงจะได้เห็นโทษของความอยากแล้วถ้าฝืนมันได้ใจมันจะสงบไปเป็นขั้นขั้นขั้นหกชั่วโมงนี่มันก็จะสงบไปความอยากที่จะลุกไปทำนู่นทำนี่มันในที่สุดมันก็หมดแรงไปต่อไปก็นั่งเฉยๆได้อันนี้คือวิธีที่เราจะต้อง ปฏิบัติกันต้องมาสร้างกำลังให้กับใจสร้างใจให้มีพละหา้าโดยเฉพาะสติสมาธิปัญญากับวิริยะเนี่ยศรัทธาก็คือความเชื่อแน่วแนว่าทางของพระเจ้านี่คำสอนของพระเจ้านี้เป็นทางที่ถูกต้องที่สุดขอให้ปฏิบัติตามให้ได้เถิดเจดวันก็ได้ผลพระองคเจ้ารับรอง ถ้าเธอปฏิบัติตามที่สอนได้จเจริญสติได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิจิตกรวมเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาหยุดมันมเห็นว่าความอยากนั้นพาไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยมมันได้มาแล้วไม่ช้า ก, ก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปพอจากไปเราก็อ้างวาง่างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้คิวเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมอยากขึ้นมาใหม่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 แต่ว่าการควบคุมด้วยสตินี้มันยังไม่ทำให้ความอยากตายอย่างถาวรทำให้มันหยุดชั่วคราวเวลามีสติพุโทโธพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงละครไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้แต่พอหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่ปั๊บไปเลยคิดถึงขนมเลยคิดถึงละครเลยคิดถึงคนนั้นคนนี้พอคิดถึงเขาก็เกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากก็เกิดความหิวเกิดความหงุดหงิดเกิดความาลำคานใจอยู่ไม่เป็นสุขล่ะต้องไปทาตามความอยากเพื่อที่จะได้ทําให้ความหงุดหงิดความลำคานใจความเหงาความว้าเหวเศร้าส้อยง่อยเหงาหายไปเวลาอยู่คนเดียวเหงาเลยก็ต้องไล่กันโทรหากันสามสาวทุกสุขเดียวกันพอ ได้รับรู้เรื่องราวก็ก็เชิญหายหายจากความหงุดหงิดไปชัว่วคราวแลเดี๋ยวก็เป็นอีกเดี๋ยวคุยกันมากมเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเบื่อกันนี่อ้อาหยุดไปหาความทุกข์ทั้งทั้งไปแล้วไม่ได้ไปอยู่ก็ทุกข์ไปก็ทุกข์เวลาคิดถึงใครก็ไปหาเขาไปอยู่กับเขาได้ไม่กี่วันก็ทะเลาะ ก, กันละ คิดถึงลูกไปอยู่กับลูกได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, ก, ก, กัน ล, นล้วลูกเหมือนกับําคาลเราละเราก็ลาคาลมันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันกลับมาได้ไม่กี่วันก็คิดถึงมันอีกแล้วกลับไปอีกนะเหมือนก็เด้งไปเด้งมาอย่างนี้ท่านบอกจิตลราเหมือนเหมือนลูกฟุตบอลหลวงตาบอกจิตพวกเรานี่เหมือนลูกฟุตบอลถูกสองฝ่ายเตะไปเตะมา อยู่ตรงนี้เขาว่าเตะไปทางนู้นพอเตะไปทางนู้นเขาก็เตะกลับมาตรงนี้อยู QUESTION> ่ตรงนี้ก enfin ็อยากไปหาลูกพอไปหาลูกเสร็จก็เบื่อก็อยากจะกลับบ้านอยากไปอยากอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะเบื่อพอมันจําเจมันชินชากับอะไรสักพักแล้วมันก็จะเบื่อนั่นมันก็จะคิดถึงบ้านบ้านที่เบื่อมันก็กลายเป็นบ้านที่อยากจะกลับมาพอกลับมาอยู่บ้านสักพักก็เบื่อก็อยากจะไปเนี่ยจิตที่ไม่สงบเป็นอย่างเงี้ ถ้าจิตที่สงบแล้วมันจะไม่มันไม่มันจะเฉยมันจะนิ่งมันจะเป็นอุเบกขาเห็นแต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ใช้ปัญญากำจัดความอยากเวลาที่จิตไม่เป็นอุเบกขาเมื่อไหร่ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาวิธีแล้วพอวันโผล่ขึ้นมาก็สู้มันไม่ได้ก็ไปทำตามความอยากหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็เข้าไปในสมาธิใหม่มันก็ยังไม่ตาย การเข้าในสมาธินี้เป็นเพียงแต่ไปกดมันไว้เหมือนเห็นทับหญ้าถ้าเราเอาหินไปทับหญ้าหญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้พอเราเอาหินออกไปเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่มันไม่ตายเราไม่ได้ถอนรากของหญ้าถ้าเราต้องการที่ให้หญ้านี้มันตายอย่างท้าวลไม่ต้องใช้หินทับหญ้าจะไม่มันจะตายมันจะไม่มันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีก รากของความอยากก็คือความหลงที่คิดว่าการทําตามความอยากจะเป็นความสุขใช่ไหมพอเราอยากได้อะไรนี้เราทํากันเลยใช่ไหมอยากไปเที่ยวนี้ไปแล้วอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปฟังอะไรนี้ไปกันเลยเห็นไหมคนที่ไปดูภาพ ย, ายนตร์กันไปดูคอนเสิร์ตกันคนที่ไปงานเลี้ยงกันไปทําไมก็คิดว่าไปแล้วมันมีความสุขกัน แ, แต่ไม่รู้ว่ามันความสุขเดี๋ยวเดียว เป็นความสุขแบบยาเสพติดทำให้ต้อให้ติดแล้วทำต้องทให้ต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาไหนหาไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนี่ยเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาปุ๊บ ก, ก็หมดไปแล้วไปเที่ยวกลับมาปั๊บมันก็หายไปหมดแล้วอยู่จึงอยู่บ้านต่อไปไม่ได้นะไม่กี่วันก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ พออยู่บานแล้วมันไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังให้ทํามันก็เหงามันก็เบื่อมันก็ทุกขนะ์เนี่ยแต่ถ้าเราฝืนไม่ไปมันอยากไปไม่ไปเืนมันเห็นบอกให้นั่งหกชั่วโมงไปเนี่ยฝืนไปอยากไปทําตามความอยากหยุดความอยากถ้าหยุดด้การเข้าสมาธิตอนนี้ไม่เป็นไรแนละ้วพราะเราเข้าด้วยเหตุผลเราเข้าด้วยเรารู้ว่าเราเข้าเพื่อว่าเรา ไม่เป็นเพื่อไม่ไปทําตามความอยากเพราะมันอยากเราก็อยากไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดลิ้นหมดกําลังแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปอย่างพระโสดาบันนี้ก็ละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไดย้ก็ไม่ต้องทุกกับเรื่องของความแก่ความเจ็บของร่างกายพระสกิดาข้ามมีก็ทําให้ความอยาก ที่จะเสพกางเบาบางลงไปจากร0อยหนึ่งเหลือห0เนี่ยเบาบางแต่ยังมีอยู่แต่ยังไม่หมดอย่างบางเวลาก็ยังอยากเขาเรียกว่าเบื่อเบื่ออยากๆยาบางเวลาก็เบื่อบางเวลาก็อยากถ้าเป็นผ้านาคา น, นี้ก็เบื่อตลอดเวลาเพราะเห็นร่างกายทีไรก็เห็นเป็นซากศพเห็นเป็นอาการ32ไปเห็นตับไตไส้ผูกเห็นอะไรต่างๆไป ควาอยากที่จะไปเสกกามก็ไม่มีการมราพะกก็ถูกปัญญาทําลายเพราะอยากที่ไรก็อย่างเงี้ยเหมือนกับอยากข้าวอยากอาหารก็ใหคิดถึงอุจจาระเดี๋ยมันก็กินไม่ลงเองอแต่ระวังเนยมันจะจะก็เรียกกันแล้วว่าโอดีคือกินยามากเกินไปอย่างที่หลวงตาเคยเขียนไว้ในหนังสือว่ามีแม่ชีคนหนึ่ง แ่ก็มีปัญหาเรื่องกิ น, นติดอาหารก็เลยพิจารณาอาหารความเป็นปฏิกูลของอาหารเห็นอาหารเป็นอุจจาระไปจนกระทั่งทุกครั้งจะกินกินไม่ลงแต่ <c oughs> กระทั่งร่างกายผอมโซ <c oughs> กินไม่ลงจริงๆว่เวลาแช่กินมันจะพิจารณาเป็นอุจจาระไปทุกที <c oughs> เลยต้องไปปรึกษากับหลวงตาถาว่าทํยังไงจะแก้ปัญหาได้ได ลงตางก็บอกว่าให้พิจารณามันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟก็เราก็เติมน้ำเติมดินให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ต่อไปได้ mm hmm. ไให้กินแบบกินยาแต่ไม่ให้กินแบบความอยากอยาไปดูรสชาติของมันหรือแบบรูปของมันหรือว่ามันเป็นเพียงธาตุ mm hmm. ดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องมีรสมีมีสีมีกลิ่น กินอาหารก็กินแบบจืดๆชื่อดีไปไม่ต้องไปปรุงแต่งรสให้มันอร่อยอร่อยคุกมันเข้าไปถ้ามันเป็นธาตุก็มันเหมือนกันหมดจะเป็นแกงจืดหรือแกงเผ็ดเอขนมเค้กหรืออะไรกับปนมใสะคุกเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องไม่ใช่หรือก่อนจะรวมกันในท้องก็ให้มันรวมในชามนี่คนมันเข้าไปแล้วก็กินแบบกินเป็นธาตุเติมธาตุอันนี้ก็จะทําให้ ปัญหาเรื่องของการอยากจะกินอาหารนี่หมดไปเพราะถามันอยากก็คิดถึงความเป็นอุจจาระมันก็หายอยากแต่เวลาจะกินก็อย่าไปคิดคิดว่ามันเป็นท่าตุคิดว่าเป็นยาเอามาคุกกันเหมือนเราคุกทําไมสุนัขมันกินได้อาหารเราคุกให้มันนี่มันกินอย่างนั้นเลยอร่อยนี่เราต้องตัดความอยากต่างๆด้วยปัญญา ถ้าไม่ได้เป็นปัญญามันไม่หายเข้าสมาธิเวลาหิวเข้าเข้าไปในสมาธิมันก็อิ่มพอออกมามันคิดถึงพิซซ่าปักมันก็หิวขึ้นมาคิดถึงขนมอะไรมันก็หิวขึ้นมาแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นเดี๋ยวมันต้องกลายเป็นอุจจระไปมันก็หายหิวอยุดทิวได้แต่ต้องรู้จักใช้ยาต้องกินยาให้มันถูกเวลากินตอนที่มันอยากพิจารณาตอนที่มันอยากเวลามไม่อยากไม่ต้องไปพิจารณา เวลาถึงเวลากินก็กินไปตามปกติไม่ต้องไปพิจารณาแต่ถ้าจะกิดแบบวันนี้จะเอาให้เต็มที่นี่เอาต้องพิจารณาแล้ววันนี้จะกินให้ อ, ร, อร่อยเลยอย่างเงี้ยต้องพิจารณาแต่ถ้ากินธรรมดากินแบบกินยาก็ไม่ต้องพิจารณาเลย <c oughs> ถึงเวลาต้องเติมทาตให้กับมันเห <c oughs> มือนกับรดน้ามันหมดก็เติมให้มันไม่ต้องไปเลือกปั๊มหรอกปั๊มไหนมันก็น้ามันเหมือนกัน ไม่ต้องไปดูโฆษณาที่ก็โฆษณาว่าน้ำมันปั๊มนี้ดีกว่าปั๊มนู้น่รอกนั่นกิเลสหรอกเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามันถึงจะถอนรากถอนโคนของความอยากได้เพราะความหลงเนี่ยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่ามันเป็นสุขความจริงมันเป็นทุกข์เห็นร่างกายก็คิดว่ามันสวยความจริงมันไม่สวยเห็นอาหารก็น่ากินความจริงมันไม่น่ากิน ต้องแก้มันด้วยปัญญามันเตือนยหายอย่างถาวรหายขาดแล้วความอยากมันจะไม่โผล่ถ้ายังโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้วิธีนี้แก้มันไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็หมดนิดไปเราไม่มีความอยากแล้วก็อิ่มตลอดสบายไปตลอดร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเลียเยเยเ้ยงมันได้ก็เลี้ยงไปรักษาได้ก็รักษาไป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 เป็นหนึ่งได้ให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าเรามีพระละหานี่เราจะสามารถทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อเป็นรวมเป็นหนึ่งได้แล้วจิตก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางคนนั้นคนนี้ได้ปล่อยวางราบยศสรรเสริญได้ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยทุกอย่างได้หมดไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ ทำลายความอยากด้วยปัญญาความอยากนี้ต้องทำลายด้วยปัญญาถึงจะตายถ้าใช้สติใช้สมาธิมันเพียงแต่กดมันไว้ันถ้าอยากจะที่มันจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสติสมาธิก่อนถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีกำลังมันกิเลสมันก็แหกครอบได้บอกว่ามันเป็นอุจาระบางทีกูจะกินอนะ่ะมึงจะทำไม <laughs> อย่างนั้นไหมแต่ถ้ามีมีสติมีอุเบกขามีสมาธิมันก็จะอมันก็จะไม่กินมันไม่เดือดร้อนมันไม่หิวจิตมันไม่หิวอยู่แล้ถ้ามันมีอุเบกขาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี่มันหิวมันหน้ามืดเราให้ใครพวกยาเสพคนที่ติดยาเสพติดเขายังต้องเสพกันอยู่เวลามันหน้ามืดแล้วมันทุกข์มากมันทรมานมากออเนี่ย สู้ความอยากไม่ไหวสู้ความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ไหวมันก็เลยต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้ามันมีอุเบกขานี้มันมันมีความสุขมันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความอยากอาจจะมีบ้างตามนิสัยเดิมตามความอยากเดิมที่เวลามันโผล่ขึ้นมาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอุเบกขาก็ถูกเขี่ออกไปเราต้องการอุเบกขากลับเราก็ต้องดันให้ความอยากหายไป อันน้นเราก็ต้องใช้กําลังบ้างถึงจะสู้กับมันได้หรือใช้ปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นอุจระนี่มันถอนออกมาเลยหรือเห็นว่าเป็นสรางศพนี่มันก็จะถอยออกมาใช่ไหมถ้าเกิดแฟนเราตายเมืวันนี้เราจะเก็บควไว้ในบ้านเมื่คืนนี้จะ น, อน่อยทอยเมื่อใหรตรงแล้วทำไม่เวลามีลมหายใจยังอยู่ด้วยกันได้เ <laughs> <laughs> พราะไม่มีลมหายใจน มันก็ยังคนร่างกายอยันเดิมอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่น่าไม่เหม็อนอะไรเลยแต่ไม่เอาก <c oughs> ็ทำไมไม่คิดว่าสมมติว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วจะได้จะได้ขอแยกนอนคนละห้องกันต่อไปจะได้ขอแยกนอนกันคนละห้องกันหาหมอนข้างแทนเหมือ <c oughs> นคนปฏิบัติ มีคนถือศีลแปดคนหนึ่งถามว่าใช้หมอนข้างได้บ้า <c oughs> ใช้ไปทำไมาวะ <c oughs> <c oughs> นะตอนนี้เราต้องมาสร้างศรัทธากันนะพยายามฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่บ่อยๆสายนี้มีธรรมะ อ, อยู่ใกล้เคียงตลอดเวลาวันละชั่วโมงก็ก็ดีนะ ฟังไปวันล่าชั่วโมงฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเกิดความฉุกคลิกขึ้นมาเมื่อไหร่จะปฏิบัติทันทีวนน <c oughs> ะตอนเราเริ่มต้นเราก็อ่านหนังสืออยู่หลายหลายอาทิตย์เนี่ยพอถ้าวันหนึ่งมันเมื่อไหร่จะปฏิบัติทันทีพอถามตัวเองว่านั่งมันตอนนั้นเลยวางหนังสือแล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไปเลยรู้แล้วนี่วิธีจะปฏิบัติทํางไงแล้วทําไมไม่ปฏิบัติทันที พอนั่งจริงๆมีสติดีๆมันก็สงบได้อาจจะไม่สงบเต็มที่แต่มันก็เห็นความแตกต่างเวลาที่ไม่นั่งกับเวลานั่งนี่มันต่างกันมันก็เลยทำให้ยิ่งเกิดศรัทธายิ่งเกิดความเพียรขึ้นมาที่อยากจะนั่งให้มากขึ้นทำงานอยู่ก็เลยลาออกได้เลยเอาเวลามานั่งดีกว่ามาหาความสุขทางใจดีกว่าดีกว่าไปหาเงินเพื่อไปซื้อความสุขทางร่างกายที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ย เสด็จเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะมันมีของให้ซื้อให้ใช้อยู่เยอะแยะไปหมดพยายามต้องอยู่ที่เริ่มต้นที่การศึกษาการฟังเทศน์งธรทำแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะมันจะไปปฏิบัติเองพอมันปฏิบัติแล้วมันก็ได้มันก็จะเริ่มเห็นผลไปตามลําดับกําลังที่อยากจะปฏิบัติความเพียรก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไป เมื่อเพียนมากขึ้นผลก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เต็มร้อยแล้วก็จะทําให้งานที่เราต้องทําสําเร็จรุ่งรุ่งไปได้เปลี่ยนกับเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายมาใช้ใช้ใช้ธรรมะแทนแทนที่จะพึ่งร่างกายเป็นสลาณนะเราก็มาพึ่งธรรมเป็นสลาณนะทําบังสลาังก็จะอันนี้ พึ่งศรัทธาพึ่งวิรยิยะพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วเราก็จะมีความสุขมีความสบายเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกสบายนิบานังพละมังสุ ข, ขัง สบายบังคมสุขเนีคือความสบายใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดจากการสร้างธรรมะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาฉะนั้นดูในตัวเราดูว่าตอนนี้เรามีศรัทธามากเท่าไหร่มีวิริยะมากเท่าไหร่เรายังต้องเพิ่มไม่เพิ่มราต้องทำไปมีสติ้วยอยางต่อเนื่องไหมใจเราสติ นิ่งใจไว้ให้อยู่ไม่ไปไหนได้หรือเปล่าหรยังปล่อยมันหรืยังไหลไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ลองนั่งพุโทโธดูสักสิบนาทีดูจะจะอยู่กับพุโทโธได้หรือเปล่าถ้าอยู่กับพุโทโธได้สิบนาทีจิตก็หลวมได้ของคุณแม่ชีแก้วนี่ตอนที่แกหันั่งใหม่ๆข้างล่างแกนั่งห้านาทีจิตก็รวมต้ <c oughs> องแกเชื่อหลวงปู่ศรัทธาในหลวงปู่คำสอนของหลวงปู่ให้พุโทโธอย่างเดียว แกรก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธของแกไปปบจิตก็ลวมไปนะแค่นี้เอง5ห้านาทีเังนะลองดูซิพุโทโธห้านาทีไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วาก็จะนำไปสู่สมาธินำไปสู่ปัญญาตามลำานำันต่อไปนะนี่จะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร ปงไงฟังแ้วง่ายๆนะทำไมไม่ทำยางตรงไหนยางตรงที uh, ่ไม่ทำเลยการใช้ปัญญาไม่จะไม่มีทางไปทำสมาธิให้ปก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เจตตรงนั้นอยู่ตรงปัญญาแแค่เห็นแก่ๆก่เจแก่อืม อาบน้ำอไม่งนอเยี่ยมากต้องเป็นาอาหารที่ปลอดภัยแกะนะไม่รูกันหืลงตาท่านเป็นคนแก่กมีใครติดตามถ่ายทอดสดกันบ้างไหม <c oughs> ติดอ <c oughs> เครื่องือนเครื่องรับอินเทอร์เน็ตได้ป่า น, นี่ <c oughs> นี่บางเครื่องจ้คะบางเครื่องนะ รับได้ตลอดทางเลยเลยไม่ค่ะเป็นช่วงตรงีบินสามดาวประเทศรับไม่ได้เาะรับสัญญาณค่ะแล้วผู้โดยสารจะรู้ไหมว่าช่วงไหนมีไม่มีหรือว่าเขาต้องรู้เขาจะต้องเขาจะเปิดซื้ออินเอร์เน็ตข้างล่างแล้วมาใช้ข้างบนเองค่ะอ่เป็นของของสายการบินขายใช่ไหมขายสายการบินขายเป็นเฉพาะ r ริปเป็นมีเม็เดีขึ้นมาแต่ว่าจะมีเครื่องอยู่สองแบบที่ไม่ใช้ได้ทุกเครื่องสามสาม หมายลามร0อยกับส8 0ูรอบนีเครื่องอื่นยังยังไม่มียังไม่ติดเครื่องรับเลยคนนี้เขายังต้องรับจากนาวเทียมใช่ไหมหรือว่าใช่ค่ะจากสัญญาณดาวเทียมแล้วสัญญาณดีไหมแ้่เวลารับได้ไม่เีไม่ไม่เด้ไม่ได้ไม่ด้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ม่่ได้ไม่ม่่่มไม่ สายการบินอื่นเขามีให้ฟรีเลยค่ะคมีทุกแบบว่าทุกเครื่องแบบทุเครื่องแบบทางสายาที่เขาใช้กันอย่างกว้างขวางเขาก็เลยบริการให้ของเรายังไม่ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางในช้จม่ีอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าใช่ส่วนให้ลูกสาวเขา แต่แล้วหมดอายุแล้วหมดเมื่อไหร่หมดแล้ก็ตายแล้วสิ <c oughs> ยังไม่หมดหรอกยังหายใจอยู่ไม่หมดแล้วเวลาหมดก็ต่อไม่ได้ส่วนยังไงก็ต่อไม่ได้อไม่ต้องส่วนละส่วนก็ไม่หายหรอกมันไม่ได้อยู่ที่สวนว่าไม่ส่วนมันอยู่ที่บุญกับที่กรรมอ้าบุญยังมีอยู่มันก็ไม่ตาย ถ้าบุญหมดมันก็ตายบุญกรรมงั้นอย่าไปกังวลกับมันคนเราทุกคนมันมีวันตายด้วยกันทุกคนถึงเวลาไม่มีใครมายับยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจา้ายังยับยังวันตายของท่านไม่ได้เลยแล้วท่านจะมาสวดให้คนอื่นไม่ตายได้ยังไงไม่มีหรอกทําไม่ได้ถูกเขาหลอกมาเพรานะฉะนัที่นี้ไม่เคยประกาศว่าจะสวดให้ไม่ตายไม่เคยมีเนยนะ ถ้าสวดได้เราก็สบายสวดให้เราตัวเราก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องตายใช่ไหมใช้เหตุผลเนี่ยเราพูยกันได้เหตุด้วยผล <c oughs> ถ้าสวดให้จะไม่ตายได้ก็ไม่อยู่กันน้นโลกกันหน่หดเดยเลยแล้วอยู่กันน้นโลกมันดีข้าวก็ไม่พอกินนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ตีกันแย่งกัน ให้พาดังสวดให้เฉยๆเออเหมือนละเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาก็พูดไปตามอภาษาคือโยนโยนภาร ะ, ะให้คนอื่นไปเขาทำไม่ได้ก็โยนแมห่หลวงพ่อไ ป, ไปไปหาหลวงพ่อไปผาบาาบ้านอาจจะสวดฮะอย่างนี้เป็นบกิจกรรมผาบบ้านก็ยังมีนิทานในสมัยพุทธกาลก็มีมีมีมากมีลูกก่อนลูกก่อนตาย ร้องโหม่ร้องไห้กอดลูกกอดศพลูกอยากให้ลูกฟื้นไม่ยอมไปฟังไม่ยอมไปเผาชาวบ้านเห็นก็สงสารก็อบอกไปหาพระพุทธเจ้าไปเดี๋ยวพระเจ้าจะสวดให้สวดให้ฟื้นขึ้นมาโอ้ดีใจรีบห่มออระไุ้มศพลูกไปหาพระพุทธเจ้าไปบอกว่ากราบพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยสวดให้ลูกหายหน่อยพระพุทธเจ้าบอกง่ายเดี๋ยวไปหาเมล็ดผักกาดมาให้สักกำมือหนึ่ง แต่มเมล็ดผักกาศนี้ต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะบ้านไหนที่มีคนตายใช่ไม่ได้นะก็ดีใจรีบกลับไปบ้านไปหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านของอของคนในหมู่บ้านเคาะไปบ้านไหนบ้านไหนที่ก็มีเมล็ดพักากาศก็มีคนตายาทุกบ้านมันต้องมีญาติพี่น้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไม่พี่ป่านะอาอาก็ปู่ยญาตตายยาย ไม่งั้นก็ลูกหลานไปบ้านไหนที่มีมะเร็กากกายก็ถามว่ามีไหมบอกมีแล้วมีคนตายมั้งนี่เนบ้านไหนก็มเีเลยเห็นความจริงว่าอ๋อความตายนี่มันไม่ได้อยู่แต่ที่ลูกของเขาคนเดียวคนตายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเพียงแต่ต่างเวลาเท่านั้นเองก็ เ, เลยหายเศร้าโศกหายทุก พอยอมรับความจริงได้ปัญญาปัญญาเห็นความจริงเห็นว่าไม่เที่ยงเพห็้ว่าไม่เที่ยงความอยากให้มันเที่ยงก็หายไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้นความอยากให้มันเที่ยงความอยากให้มันไม่ตายมันทําให้เราทุกข์กันพอเห็นว่ามันต้องตายด้วยกันทุกคนมันก็เลยยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงมันก็หายทุกข์กันหายยังยิ้มได้แล้วนี่ยิ้ม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 นะบอกทางให้แล้วบอกทางให้แล้วเอาหนังสือซีดีไปอ่านแล้ชุดไปจะได้หูตาสว่างเราจะหายทุกมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีคนสีมันก็อยากจะถามอะไรต่อรอเปล่าอยากจะถามอะไรกรือเปล่า ที่ทำมาแล้วฮะก็มีการจัดแปลงสถานที่นั่งวิทีนั่งอ่าคือมันต้องแบบทีละนิดทีละหน่อยรู้สึกทุกคนก็คงเหมือนกันว่าถ้านั่งอย่างนี้นะมันมันไม่ได้เอาไหนเลยแต่นี้ก็รู้สึกจะเข้าท่าแหละหมายถึงว่ากล่รวโว่าถ้านั่งนั่งไปขนาดจะแบขนาดแป๊บเดียถ้าเผืมันมีคุณภาพนะฮะ ม, มีคุณภาพแบบมือ เข้าไปลึกมากอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีถ้เาเผื่อวันไหนนะถ้ามันนั่งแล้วนั่งอีกแล้วมันก็ยังฟุงไปโน่นฟุ่งไปนี่อะไรก็ลุกขึ้นไปเลิกเลยแล้วไปทำเดินไปเดินมาอะไรไปเจริญสติก่อนเดอววันนี้ได้ได้มากเลยค่ะจาก ท, ที่ท่านเทศเรื่องเรื่องอินรีเรื่อง MC, เรื่องซูเปอร์อ พาสเปอร์เป็นซีห้าเป็นพาสาอยากเก้าเปอร์เป็นน้ำมันเก้าสิเอ็เป็นเก้าสห้าเป็นตอเป็นซเปอร์อะไรล่ะซูเปอร์เอ่อเอ่อเมดิเทเตอร์ซูเปอร์นั่งสมาธิถือว่าเเวลาเรานั่งเนี่ยเอ่อเราก็มีความเพียนอย่างแรงกล้าต้องพยายามมองไปรอบๆบ้านเนี่ยมันมีอะไร นมๆนะเดี๋ยว like เราเลืกมอนอิงก็นุ่มนะของในตู<_<_<_<_<_้เย็นมันกนแต่ว่ามันก็เน่าไปเพราะเรากินไม่ทันอะไรนะอันนี้ก็ไปออกไปข้างนอกเหมือนกันนะฮะของดีๆทั้งนั้นทีนี้เราก็ต้องหยุดหมายถึงว่าเอออันดูอร่อยนะอทีนี้แต่่ที่ทอาจารย์บอกว่ามีมีคนที่แบบว่าทําเกินอ่ะ ทำเกินแบบเห็นอะไรเป็นอุจจาระหมดก น, นก็เกินไปแต่ว่าถ้าเผื่อเราเราแบบดูแบบที่น้ อ, องตังบแก้ให้อว่าอย่าไปทําอย่างนั้นให้แก้เป็นดูให้มันเป็นธาตุดินน้ําลมไฟ อ, มอันนี้หละอันนี้มันเป็นมันแก้ปัญหาอืของใช่ทุกอย่างมาันมาจากดินน้นําลมไฟ พอเห็นเค้กสวยๆไอติมอร่อยเนียนะคะมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมะคำถามมันเลยเที่ยงแล้วก็เอาหน่อยนะใครเจียนเครีดนะกจะเปลี่ยนแล้วขอาแนะนำแบบไอแค่นดินน้ํำลมไฟแล้วก็เดินจากไปเด็กเค็บสตียงไปละอันนี้อันนี้โอ้แบบดาข่าวเนี้ยมันมันช่วยช่วย ช่วยพัฒนาการทำสมาธิแล้วก็การเป็นอยู่ที่ชั่วโมงที่เหลืออยู่เนี่ย <laughs> ที่มันไม่ได้อยู่ในสมาธิออกมาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญ า, ญญาเวลาเกิดความอยากต้องใช้ปัญญาว่ามันไม่เที่ยงสำคัญว่ามันทุกข์ว่ามันเป็นขยะมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวอะไรต้องเห็นนเห็นตอนจบของมันเราชอบไปเห็นตอนต้นของมัน<ฆ>ตอนต้นมันก็สวยงาม ดอกไม้เวลามันบานนสวยเราไม่ดูตอนที่มันเฉาเราใช่ไหมมันเฉาก็เสียงเงินไปซื้อมันทําไหมซื้อมาสามวันก็เฉาแล้วเสียงเงินไปเปล่าๆซื้อดอกพลาสติกดีกว่าไม่เฉา้น <c oughs> มันหลอลว ง, นะ ง, ง, ง่ะรืองหลอดลวงอ่ามันก็นอดอ <c oughs> <c oughs> มันก็ดิน้ํ า, นามลมไฟเหมือนกันเด็เ <c> ด <oughs> ็ดเดยอมชอบชบคิดวะโชอบดีนะฮะแล้วตอนที่ กลับมาจะเ ก, กิดคือว่าคือว่าห่วงแม่ไงฮะว่าถ้าเผื่แม่ตายไปแล้วเราไม่ได้อยู่นี่นะมันจะไม่ดีเพราะเรารักแม่มาก <c oughs> ก็ประกาศว่าฉันหกสิบกลับบ้านแนละ้ว <c oughs> มาดูแม่มันแล้วก็ม า, าหาอาจารย์ที่สอนเราได้ก็ามาคือแม่เน่ยนะคะก็งอมไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็มาไปเยี่ยมแม่ที่อยู่บ้านในอา่าตอนี้เราปรไปเนี่ยนะคะ เพราะเราได้มีแม่ซึ่งอายุเก้าสิบสี่ะเราก็แม่เอามาดูหน่อยให้มันเกือบเท่ามันเกือบเหมือนกันเลยนะใกล้เลยดูหน้าแม่หายถ่ายรูปเซ็เซลฟี่ใกล้เขียงอะไรเงี้ยจนท่านสิ้นนะฮะจนท่านสิ้นตอนน้คือจาก ไม่คิดว่าท่านจะไปเร็วขนาดนั้นแต่ว่าพี่เตือนไปแล้วว่าคือเนี่ยแล้วมาไหวไว้อ่ะมันเหนื่อยเึ่งกลับจากโคราชไปบวชก็ขับมาซึ่งขับมาท่านก็นอนเหมือนคนตายธรรมดาพร้อมผนะก็ก็เท่าเท่าลูกแต่ว่าผอมผอมมากนะผอมมีตะกระดูกเนี่ยมือนคนนอนแบบธรรมดาเนี่ยก็ไปจับแน่เย็นเชียบเลยนะแตยังนุ่มอยู่อืเพราะว่าสามท่มกับกับสามโมงเช้าอะมันแค่สิบสองชั่วโมง ก็ได้ไปดูแม่นะเอาผัวงมาไรไปใส่ใส่มแม่อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอ๋อนี่คือสภาพที่เราจะเป็นในวันข้างหน้าเตรียมตายไปแล้วไม่มีความรู้สึกเสียใจร้องไห้เลยเลยดีใจที่แม่ได้ไปอย่างสงบเนี่ก็ถือว่าโชคดีนะได้ไปแล้วไปจับศพแม่รอจนกระทั่ง สัเปล่เข้ามาอะอย่างเงี้ยนั่นเป็นการเป็นการฝึกฝึกให้ให้คิดว่าอ๋อมันก็ตายทุกคนอาอันนี้จังอันนี้จังอนจังว่าตาสังขาราสังหารทั้งหลายแม่ของแม่ของแม่ของแม่เขาก็เป็นอย่างี้เป็นด้วยกันทุกคนเราจะได้ปร่งได้โรงได้แล้วก็ใจจะไม่ไม่ทุกข์กับมันไม่กลัว ดีมีคำถามทางบ้านไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่อันนี้ส <c oughs> ามร้อยแปดสิบค <c oughs> ่ะสร้อยแปดสิบูปสี่สิเ็ดค่ะคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณกะหนกการเวลาที่เราสวดมนต์ตามองตัวหนังสือปากก็จะสวดมนต์ เราตั้งใจสวดมนต์แต่ใจกลับไม่ได้จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เผลอไปคิดเรื่องอื่นเป็นช่วงๆต้องแก้ไขอย่างไรดีคะก็ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆวิธีหนึ่งก็คือหัดท่องก็ได้อย่าไปเปิดหนังสืออ่านท่องมันเลยท่องแล้วก็ท่องมันทั้งวันไปท่องไปในใจทั้งวันแล้วมันก็จะอยู่กับการสวดมนต์ได้ถ้าเราเปิดหนังสือ เรามาสวดแสดงว่าเราไม่มีสติจดจำกันเลยก็ามาเปิดพอมาเปิดดูอ่านด้วยสองสามคำมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสวดแบบไม่คิดอะไรก็หัดท่องไว้เวลาท่องนี้มันต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับบทที่เราจะท่องและจะต้องจดต้องจำการ ห, หัดสวดมนต์นี้ต้องสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือถ้าเปิดหนังสือนี้มัน ใช้ไม่ได้เหมือนต้องสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือเหมือนพุโทโธเงี้ถ้าเราต้องเปิดหนังสือท่องพุโทโธพุโทโธเงี้ <c oughs> เดี๋ยวเกิดถ้าไม่มีแสงก็ดูไม่ได้อนอะงั้นถ้าอยากจะให้สวดได้ไม่คิดอะไรก็ท่องมันดีกว่าแล้วก็ท่องไปทั้งวันถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ท่องท่องมูลไปทั้งวันเล เดึ่งตาขึ้นมาก็สวด A T P S o, เอติปิโสอรหังสัมมาสวาคขาโตไปอาบน้าก็เอติ T P S ปิโสไปกินข้าวก็เอติ T P S ปิโสไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอติ T P S ปิโสไปเดินทางไปทำงานก็เอติ T P S ปิโสไปสวดไปไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นนอกจากเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราเช่นเดินไปก็ต้องดูดูทางดูถนนขับรถก็ต้องดูถนนด้วยไม่ใช่สวดอย่างเดียว <laughs>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 ถ้ามีความสงบมีความสุขมันมีความอิ่มมันก็ไม่อยากจะได้อะไรมันก็ไม่ต้องไปขโมยเงนินไขไม่ต้องไปแย่งสามีแยง่งภรรยาของคนอื่นเขาคาถามจากคุณสุรีปกติหนูจะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตอนประมาณเที่ยงคืนพอต้องรองให้ลูกๆหลับ<อ>เมื่อคืนหลังจากนั่งสมาธิประมาณตีหนึ่งคึ่งก็มานอนต่อขณะนอนก็ยังบริกรรมพุทโธต่อ ทุกทีก็จะบริกรรมจนหลับแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าหลับยากจังแต่ก็ไม่ได้คิดคุ้งซ้านอะไรก็บริกรรมไปเรื่อยๆแต่พอประมาณตีสี่จะลุกขึ้นปรากฏว่าร่างกายกำลังหลับอยู่มีความรู้สึกว่าต้องใช้กําลังจิตบังคับให้ร่างกายลุกขึ้นพอสมควรกลับเรียนถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรคะแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรคะก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรบางทีร่างกายมันเหนื่อยเวลาจะหลับมันไม่หลับ พจิตไม่หลับแล้วพอเวลาร่างกายมันหลับมันหลับไม่พอจิตตื่นก่อนร่างกายเมันก็จะลากร่างกายขึ้นมาร่างกายมันก็ไม่อยากจะลุกตามบางทีเรารู้สึกนอนอิ่มไม่พอใช่ไพอตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกโซเซไม่อิ่มไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจัดเวลาให้ถูกต้องนอนนอนให้มันเป็นเวลาถ้านอนผิดเวลาเนี่ยมันก็มีปัญหาได้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 มีความสุขใจมีความสบายใจอันนี้ไม่ว่าจะใส่บาตรจะถวายผ้าป่าสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงข้าวหมาอะไรทําไปแล้วเราได้เสียสละได้บอยจากเงินทองสมบัติเข้าของของเราให้แก่ผู้อื่นไปใจเราจะมีความสุขขึ้นมาทัานทีเลยแล้วเงินทองหรือเข้าของที่เราทำนี้ก็เหมือนกับเราเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญ แล้วชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะไปเบิกเอามาใช้ได้ให้ใช้ปัญญาดูความจำเป็นนั่นเองที่ไหนก็ขาดแคลนก็ไปทำที่นั่นที่มันเต็มมันล้นไปไปทำมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์นอกจากว่าของที่เราไปทาที่เขาล้นแล้วเ็าเอาไปทำต่อก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็ไม่มั่นใจไปทำที่ที่ไม่มีคนไปทำเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นพวกมิจฉาชีพเราก็ไม่กล้าไปทา เราไปทำที่เรามั่นใจก็มีคนแย่งกนไปทำกันเยอะแต่เราก็คิดว่าท่านรับไปแล้วท่านก็จะเอาไปทำให้กับพวกเราต่ออีกครั้งหนึ่งก็เหมือนหลวงตาเวลาที่เราไปทาบุญกับหลวงตาหลวงตาท่านก็ไม่ได้ใช้วัดป่า้านตาก็ไม่ได้ใช้หลวงตาท่านก็เอาไปสเค์โลกไปตามความจำเป็นที่ไหนขาดแคลนอะไรยุคแรกๆก็ทำโรงพยาบาลใช่มรถ อะไรลทยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเพราะมันขาดแคลนมันจำเป็นต้องมีแล้วต่อมาก็มามีหนี้สิน F, อีเออก็ต้องมาช่วยกันปวดหนี้กันเนี่ยมันก็ทำต้องใช้แบบปัญญาทำด้วยปัญญาว่าอของนี้มีประโยชน์จะใช้แบบไหนให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แต่การให้ของของเราเนี่ยมันเราได้บุญแล้วได้ได้ประโยชน์คนให้ได้ประโยชน์แล้วเพียงแต่ว่าของที่จะไปทำประโยชน์นี่มันจะไปทำตรงไหนก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะบางทีใช้ไม่มีปัญญาก็ไปเก็บไว้จนมันเล่ามันเน่านเาฟะไปหมดนี้ก็ไม่ดีใช่หหลวงตาถ้าไม่เคยสะสมของไว้มีอะไรเท่าไหร่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ระบายออกไประบายออกไปนั่นก็ ก็ทำไป่นั้นเองเพียงแต่ว่าให้ให้ดูบ้างก็ดีถ้าพระท่านบินตบาตไม่มีอาหารก็ใส่บาตรให้ท่านอย่าไปถวายผ้าปา่าจีวรท่านมีพอแล้วท่านบินตบาตถ้าไม่มีอาหารก็ใส่อาหารให้แต่ถ้าเดินบินตบาตถ้าขาดุ่งเรื่งนี้ <c oughs> ก็ถวายผ้าป่าไปถวายผ้าจีวรไปให้สังเกตดูบ้างว่าแล้อถ้ามีอากาศก็คุยกับท่านได้อ สนทนาปสายได้ถามได้แต่ท่านจะตอบไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะภาพบางรูปท่านก็ไม่เคยไม่เคยตอบไม่เคยบอกว่าต้องการอะไรท่านปล่อยให้เราพิจารณาตา่างอัธาายาศัยท่านนักน้อยสันโดษท่านยินดีกับสิ่งที่ท่านมีอยู่ถึงแม้ภามันจะขาดลุมันก็ยังใสได้ท่านก็ไม่ไม่ ข, า ข, า ข, าขยย่าวคาขออะไรจากใคร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 ไม่ทุกกับมันมันถึงจะบรรลุได้คำถามจากคุณเป๊ะเวลานั่งสมาธิมีบางช่วงที่เหมือนกับจะตกจากที่สูงแต่ไม่ได้หลับนะคะเกิดจากอะไรควรทําอย่างไรคะเวลาจิตจะสงบมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นมันเหมือนจะตกหลุมตกบ่อตกเค้เยก็ <c oughs> <c oughs> ให้มีสติรู้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไม่มีปฏิกิริยากับ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 เหมืทำบุญนี้จะทำบุญต้องมีคนรับใช่ไห ม, มการแผ่เมตตาก็ต้องมีคนรับไม่นั่งอยู่คนเดียวแล้วไปแผ่ให้ใคร ท, ที่สวนนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการเรียนรู้เป็นการสั่งสอนเตือนใจว่าเราต้องแผ่นะเราต้องเอาเวลาไม่จองเวรเราต้องอาบัญยาบัตชาไม่เบียดเบียนเราต้องให้คนอื่นเขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาดีจากเขาไม่ให้เขาทุกข์ไม่ให้เขาเดือดร้อน เราต้องการให้เขามีความสุข ว, วิธีจะแผลก็ต้องเวลาเจอกันเจอกันก็นยิ้มให้กันยิ้มกันนี่ก็แผแลละพอเขาเห็นรอยยิ้มเขาก็มีความสุขใช่ไหมแล้วยิ่งมีขนมมาฝากก็ยิ่งยิ้มใหญ่ยิ่งสุขใหญ่อหรือเวลาเขาดา่าเราเราก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่จองเวรกันยกให้คุณไปคนอยากจะด่าก็ด่าไปถือว่าเป็นการทําบุญทําทางกัน ด่าแล้วแล้วคุณมีความสุขเราก็อนุโมทนาสาธุก <c oughs> อันนี้เรียกว่าไม่ไม่จองเวรไม่อาฆาตพยาบาปไม่โกรธเกลียดกันให้อภัยกันนี่คือวิการแผ่ต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์ให้แผ่ตอนที่อยู่คนเดียวไม่มีเหตุการณ์อะไรให้แผ่ตอนที่สวดนี่ก็สวดสวดเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างบางทีสวดก็ไม่รู้ความหมายสิสวดไปก็เสียเวลาเปล่า ถ้าจะแผ่ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันการสวดก็ดีจะได้เตือนใจเราสอนใจว่าเราต้องมีคุณสมบัติในี้ในใจเรานะเราต้องไม่จองเวรกับใครเราต้องไม่เบียดเบียนใครเราต้องไม่ไปทำร้ายให้เขามีความทุกข์เราต้องให้เขามีความสุขมีขนมนมเนยมีอะไรก็แบ่งปันกันไปนี่เรียกว่าแผ่เมตตา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 และเวลานั่งมันก็จะสงบได้นานคำถามจากคุณพัชชาลเบื่อในความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ไหมคะอประถามเราทำไมคุณคุณทุกข์กูเปล่าอะทําเบื่อก็แสดงว่ามันทุกข์แล้วก็ทําไม่อยากจะเบื่อไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดอย่างที่บอกถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ไปบวชชีบวชพระเย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 อันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าความสุขใจให้แล้วก็มีความสุขใจแล้วยิ่งเห็นว่าให้ไปแล้วเกิดประโยชน์แล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นถ้าให้ไปแล้วยังสงสัยว่าเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่ปาหรือจะไปทําหรือเขาจะเอาไปโยนทิ้งเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไหร่จากการให้แต่ถ้าจะให้อย่างสุขใจเราก็อย่าไปกังวลกับคนรับ เขาจะาไปทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราให้แล้วเราจบเราให้เพื่อเราให้เพื่อให้เกิดความสบายใจเราก็พิจารณาดีแล้วว่าคิดว่าเขาขาดแค่นนี้ให้เขาแล้วได้ประโยชน์ก็ให้เขาไปก็จบไปอย่าไปตามดูว่าเขาเอาไปทำ <c oughs> ทำนูำ่นทานี่ <c oughs> กินหรือเปล่ <c oughs> าพชะนี้าหนุงพ่อหยิบของของฉันหรือเปล่า <c oughs> หยิบแล้วท่านกินหรือเปล่าจีจุด <c oughs> ท่านเอาของเราไปให้ใครหรือเปล่าแบบนี้เราจะไม่สบายใจแล้วถือว่าเป็นของท่านละท่้นจะไปทําบุญต่อก็เรื่องของท่านท่านกินคนเดียวไม่ไหวหรอกไม่กินไม่ไหวงั้นต้องเราไปแบ่งให้คนอื่นต่อคําถามจากคุณพัชถ้ามีหลายๆคนมาทํานายผมต้องเป็นคนดูดวงร่างทรง เพราะมีของติดตัวมาแต่ผมไม่อยากเต็นแบบนั้นผมบาปไหมครับที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ใช่การสะสมบุญบารมีหรือเป็นการยึดติดในตัววิชาและเป็นการก้าวไก่เรื่องการของคนอื่นไหมครับและสิ่งสุดท้ายคือมันใช่แนวทางในการปรารถนาดินแดนสุขาวดีดังเช่นพุทธองค์ทรงตรัสสอนไหมใช่แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นไหมครับ ไม่หลอกการทำนายทายทักนี้ก็เป็นไปนอาชีพจว่าว่าไม่เป็นอาชีพก็ต่อเมื่อเราไม่รับเงินทองมันก็เป็นการทำบุญไปที่นี้การทำนายทายทักมันก็ถูกบ้างผิดบ้างหรือว่าถ้าแม่นก็ถ้าแม่นก็แม่นนะแต่มันก็ไม่ได้ไปไปทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงความจริงความจริงก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดี ดังนัการทำทำเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเพียงแต่บรรเทาความความเดือดร้อนความไม่สบายใจของคนที่ไม่มีที่พึ่งที่ยังไม่ยอมมองความจริงกันก็เราไปหาหมอดูให้ไปพูดอะไรดีไม่ดีเดี๋ยวไปหมอเกิดไปพูดสิ่งที่ไม่ถูกใจก็จะทุกข์มากขึ้นไปเปล่าๆดังนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์การดับทุกข์นี้ต้อง สอนความจริงใครมาหายก็บอกคุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะอันนี้ของจริงเขาจะได้ไปเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเขาก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันเพราะมันถ้าไม่ทำมันก็ไม่บาปหรอกที่มันอาจจะเป็นนิสัยของเราหรือเป็นวาสนาของเราที่อาจจะมีตาทิพหูทิพ ที่อาจจะเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คนธรรมดามองไม่เห็นก็ได้อันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของอดีตชาติที่เราได้สะสมมาเขาเรียกว่าอภินญยญาต่างๆก็มีหลายแบบหลายชนิดคนบางคนก็มีบางอย่างบางคนก็ไม่มีอย่างหลวงปูม่มานนี่ท่านก็อ่านใจของคนอื่นได้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 มานั่งทํานายทายทักเขาแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยไม่ต้องไปไปบวชถ้าถ้าไปบวชก็จะได้ปฏิบัติได้เจริญศีนสมาธิปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและนํามาสั่งสอนนั่นแหละอย่าไป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 ธรรมเนียมของพระบิณฑบาตก็เดินไปเรื่อยๆ เ, เดินไปเพื่อเปิดตัวให้รู้ว่าข้าพเจ้ามาขอรับของของท่านแล้วแต่จะไม่เคาะประตูเรียกจะไม่ยืนยืนสร้างความนำคาญใจให้กับใครบางคนไม่ยอมใสูกูจะนั่งรอยเงี้ยจนกว่ามจะใส <laughs> <laughs> แต่อย่างนี้ก็ไม่ถูกหมดนแลละออดี